เดินพอเนี่ยเทุกคนนะคอยนั่งฟังกันนะตามสบายนะดูกายดูใจของเราไปด้วยนะันศุกรเนี้มันก็อาสวัดที่ไม่เคยสวดเหมือนกันก็เลยไม่เข้ามอ่เีว่าเป็นที่วัดหนึ่งในในคืนกำลังเสริมวัดเรื่มีนะแต่ก็เสือไปก็เออ โดยปัต น, นาแบบนี้ไหมปัต น, นาเวลาเราทำบุญเวลาทําอะไรนาะก็ปัตนาสิ่งสูงๆูเนาะสิ่งดีๆอยากจะได้อยากจะเจอแต่สิ่งดีๆหลายคนทําบุญแล้วก็เราก็ตั้งจิตปัตนาให้อธิษฐานส่วนใหญ่เราก็อธิษฐานเจอได้สิ่งดีๆเนาะแต่จริงอธิษฐาน เราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะอธิษฐานคือตั้งจิตฝ่าถนาที่จะให้ไปถึงสิ่งนั้นแต่อธิษฐานไม่ใช่เป็นการขอให้ให้อะไรตัวเลอกๆบรนดานให้เราได้สิ่งนั้นนะหมายถึงว่าอธิษฐานนี้ไม่ใช่เป็นการขอจากคนอื่นเลยจากพระพุทธเจ้าจากสิ่งศักดิสิทธิ์ทั้งหลายแต่อธิษฐานจริงๆคือการตั้งจิตว่าเราจะเดินทาง ให้ถึงสิ่งนั้นให้ได้อันนี้คืออธิษฐานนะคือเวลาเราชาวพุทธเวลาเราทําบุญเราปฏิบัติธรรมทำอะไรก็แล้แต่ให้เราอธิษฐานเพื่อเราจะไปถึงตรงนั้นไม่ได้พอเพราะหลาคนเวลาเวลาเราเจอกับสิ่งที่เป็นปัญหนานในชีวิตเจออุปสรรคเจออะไรต่างๆบางทีเราก็จะมาโทษทําไมเราทําดีทําไมเราทําบุญทำไมเราปฏิบัติธรรม ทำไมเราเป็นคนดีแล้วทำไมเราต้องเจอคนนินทาเจนกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นโลกให้ให้เก็บบางคนก็จะคิดว่าบุญกุศลมันไม่ช่วยเราเลยหรอหรือต่อ ก, การที่เราเป็นคนดีทำไมต้องเจอคนที่ไม่ดีด้วยเราต้องมีปัญหาเยอะมากนะอ่ามานะอาจจะไม่มีประสบการณ์ทางโลกมากเหมือนตัวโยไม่ไเคยทํางานนะ แต่ประสบการณ์ในการฟังปัญหาเนี่ยถือว่าเยอะเลยฟปัญหาเวลาคนมาลำ บ, บายเวลาคนมาปรึกษาเนี่ยถือว่าหลากหลายพอสมควรอยู่ก็จะส่วนใหญ่ก็ประเภทว่าเนี่ยนห ะ, ส, ญญ ะ, ะ, ะนะสิ่งที่ลํา บ, บายสิ่งที่เป็นความทุกก็คือสิ่งที่เขาไม่อยากเจอสิ่งที่เขาไม่อยากเจอเขาก็จะมองเป็นความทุกข์เป็นปัญห อย่างตอนนี้ที่วัดป่าสุขตโตมีเด็กมาบวชเกือบร้อยลูกนะ97นะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ต้องหลับหลับนะส่วนใหญ่เด็กนอยากจะได้กิจ ก, กรรมหรือทำอะไรก็ได้นะที่มันสนุกนะที่มันบลบพอเราอเออพอป่าทันหนาวเรสนุกใช่ไ้ยกิจ ก, กรรมหรือเทพแบบไหนถ้ามันเบื่อมันก็ไม่จะออกใช่ไนะนะ อยากได้ความสนุกอยากได้ความเพลิเพลินแต่ก็ไม่อยากได้ความเบือ่อใช่มมันมีสิ่งที่อยากได้แล้วมันก็มีสิ่งที่ไม่อยากได้ใช่ไหในวั ย, ดยเด็กนนะอยากชอบสิ่งที่สนุกไม่อยากได้สิ่งที่ไม่สนุกลยวัยคนที่โตขึ้นจะอะไรอยากได้สิ่ง <l> ที่สมบวังไม่อยากได้สิ่งที่ไม่สมหวังใช่ไหม <c oughs> เป็นไบยูนนะได้ปัจรานาสิ่งที่อยากได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้ถ้ามันสมบังถ้าไม่ได้ก็รู้สึกผิดหวังใช่ไหมเหมือนบางคนโดยเฉพาะไบยูนเช่นมีความรักเมื่อได้ความรักก็รู้สึกสมบังมีความสุขมากเรื่องนี้เมื่อผิดหวังก็เสียใจมากก็ทุกข์มากเดือด้อนทํางานไปรู้สึกตัวเองเก่งขึ้นแน่ขึ้น อยากได้อะไรความสําเร็จใช่ไหมทำอะไรก็คิดว่าจะต้องทําให้มันสาเร็จใช่ถ้าทําไม่สําเร็จก็คิดว่าจะเองแย่ yeah. ใช่ไคิดว่าโลกเนี้ยคนทําไมคิดไม่เหมือนเราเจอนะปัญหาความสุขเพราะว่าทําไมเขาคิดแบบนี้ทําไมเขาทาแบบนี้ทําไมเขาไม่คิดแบบนี้ทําไมเขาไม่ทําแบบนี้ก็เป็น เป็นสิ่งที่เราก็เจอเลยนาะเพราะว่าเราคิดว่าอ่า ม, มันกควรจะต้องทําแบบนี้งานถึงจะดีแต่ทําไมคนอื่นคิดไม่เหมือนเราทำไม่เหมือนเรางานก็เลยไม่สาเร็จหลายหลายอย่างเนาะหลหลายอย่างที่ถ้าเราปรารถนาอีกส่วนนึงแล้วก็ไม่ปรารถนาที่จะเจออีกส่วนนึงซึ่ง พ, พวเนี้ยแหละ ถ้าจะมองดีๆนะมันคือเหตุของความทุกขนะ์นะปันาจนะัาในที่นี้ก็คือตัณหาจนะพูดท้อคล้อเอาปัจานะแต่ที่จริงก็คือตัณหาคือความอยากนะเราอยากจะเจอความสุขเราก็ไม่อยากเจอความทุกข์เราปฏิบัติธรรมเราอยากจะได้ความสงบเราก็เลยไม่ชอบความวุ่นวาย ความคุ้นร่างเราอยากได้การมีสติล้วก็อาจจะไม่ชอบควา ม, มง่วนอนความคุ้นร่าความสงสัยใช่ไหมถ้าเราตั้งจิตในการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะเอาแต่สิ่งที่ดีเอาแต่สิ่งที่เราชอบมันก็จะปล่อยมีฝ่ายตรงข้ามก็คือ เกลียดสิ่งที่ไม่ดีเกลียดสิ่งที่ไม่ชอบเกลียดสิ่งที่ไม่อยากได้ <c ười> แต่ทีวิตจริงมันเป็นแบบไหนโยเลือกได้ไหมนะเลือกไม่ได้นะชีวิจริงชีวิตจริงเราเลือกไม่ได้นะอย่ามาก็สอนเด็ก น, นะโอ้จะออกแต่สนุกตล อ, อดเวลาเลยเลยทุกคนบางทีสนุกมากก็ก็เหนื่อยนะมาว่า เหมือนในข่าวบางทีเด็กเล่นเกมนะข่าวสามสี่ปีก่อน น, น่แบบเด็กก็ลี้นะติดเกมมากเล่นเกมเท่าไอะไรสามสี่วันเนาะเช้าจนค่ำไม่กินข้าวไม่กินน้ำ ส, นนะน ส, นนสุดท้ายก็ล็อกตายนี่ัฒนาความสนุกความเพลิดเพลินสุดท้ายก็ก็ร่างกายจะไม่สบายอันนี้คือ ถ้าเราอยากจะได้สิ่งหนึ่งมันก็จะเกลียดสิ่งนีง้แต่จะทําอย่างไรละ่ะเราก็อยากจะได้สิ่งที่ดีนะตั้งจิตอธิษฐานเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีแต่ชีวิตจริงเน่ะเราเลือกไม่ได้นะเราเลือกไม่ได้เราเลือกจะให้คนตกหรือคนไม่ตบ ก, ก็เลือกไม่ได้แบกคอหรื อ, อง้มก็เลือกไม่ได้คนอื่นที่ทํางานากับเรา คนคอื่นที่อยู่ร่วมสังคมกับเราเรื่องอะไรไหมเรื่องที่จะเจอแต่คนดีๆได้หรือเปล่าเรื่องที่จะเจอแต่สิ่งดีๆได้หรือเปล่านอกไม่ได้น้อเรื่องไม่ได้น ะ, เ อ, นะเอาเข้าจริงนะบางคนเวลามีปัญหาไปโทษคนนั้นคนนี้นะแต่เอาเข้าจริงแม้แต่คนใกล้ตัวเราเองนะบางทีเราก็ยังมีปัญหา กับพ่อกับแม่กับแฟนกับเพื่อนที่สนิทกันมากๆก็มกีปัญหาแม่กับตัวเราเองเลยไหมเพียงกัน่ในใจ <c ười> ตื่นเช้าขึ้นมานะใจนึงก็ อ, อยากทารถเช้าอีกใจนึงก็อยากนอนต่อนเจอขนมหวานใจนึงก็อยากกินใจนึงก็อยาก จ, ก จ, กากจได้เอ็ดร <c ười> ตัววนนะมัน <c ười> แต่ตัวเราเองนะยังขัดแย้งกันนะอืมจะหาเคนที่ไม่ขัดแย้งกับเราไม่มีนะทุกคนก็ต้องเจอกับสิ่งที่ทั้งดีบ้างแล้วก็ไม่ดีบ้างนะเป็นธรรมดาของโลกแต่ครนี้เราจะภาวนาจุดหมายจริงเพื่อไม่ใช่ว่าให้เราเจอแต่สิที่ดีแล้วก็ไม่เจอสิ่งที่ไม่ดีให้เราได้เจอสิ่งทีชอบไม่ต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบไม่ใช่นะ แต่เราจะภาวนาให้เห็นว่าโลกหรือสิ่งข้างนอกเนะี่ยหรือติ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งอ่าอ่าคือไงคืออย่างเด็กๆ เ, กเกนาะบางทีเรามองโลกสดใสมองโลกสมนุสนานโตขึ้นมาก็มองโลกมีแต่ปัญหาโลกโลก็รุนแรงไปละแต่ภาวนา จ, จริงๆนะเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าโลกก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนนึง คือโรคเราไปแก้ไม่ได้เราห้ามไม่ได้ภาวนาเพื่อให้เห็นว่าโลคก็เป็นเรื่องของโลคความวุ่นวายปัญหาอะดนต่างก็เป็นเรื่องหนึ่งสิ่งที่มันกระทบสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องหนึ่งเสียใจก็เป็นเรื่องห น, นึ่งเรามาฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีสติคุ้มคลองใจถ้าเรามีสติคุ้มคลองใจเหมือนท้าย สข้างนอกอ่ะสิ่งที่มาพูดสิ่งที่กระทบฝนตกแดดออกรถติดคําพูดที่เขาส่อเสียอินทาหรือสิ่งที่เจอกับสิ่งที่มันไม่ดีต่างๆรวมทั้งสิ่งที่ดีนะถ้าเราไม่มีสติเราก็หลงคนชมเราก็หลงใช่ไหมนั่นแหละคือ หรือเจอแต่สิ่งดีตลอดชีวิตเลยนะชีวิตก็เลยติดใจคิด ว, ว่าต้องเจอแต่สิ่งดีๆตลอดเนะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโลกถ้าเราไม่มีสตินะเราจะหลงไปกับโลกก็คือบางีีหลงเปสุขบ้างหลงไปทุกขบ้างหล ง, ง, งนะชอบใจหรือหลงไม่ชอบใจแต่การมีสติคุ้นครองใจคือการที่เราคอยรู้ทัน รู้ทันสิที่มันกระทบรู้ทันสิ่งที่กระทบนะเนี่ยเรียกว่ามีสติอยู่กับปัจจุบันนะสิ่งอะไรกระทบะก็ให้รู้ทันแดดออกระทบร่างกายรู้ทันลมกระทบรู้ทันรวมทั้งการที่เราเคลื่อนไหวทาํางานต่างๆ่างเหมืนกันนะก็ให้เรารู้ทัน ให้เรามีสติรู้รู้ในสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่นีแ่แหละคือรู้สิ่งที่มันจะพบถูกร่างกายนี้ก็ดีหรือรู้ทันร่างกายที่ไปกระทบกับสิ่ง ต, าตา่างๆเช่นการเดินการหยิบ ก, การจับสิ่ง ต, าตา่างๆคือการเคลื่อนไหวการสัมผัสให้เรามีสติรู้ทันตรงนี้อยูถ้าเรามีสติรู้ทันสิ่งเนี้ยพอเวลามันจะเกิดความเกิดอารมณ์ หรือเกิดความคิดขึ้นมามันจะมีสติรู้ทันนะที่มันจะปรุงแต่เช่นตายตาไปมองเห็นใครสักคนปุ๊บก่อนจะมองเห็นมันก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็ไม่ได้กุงอะไรแต่พอมองเห็นแล้วมันคิดนะเราก็รู้ทันเลมันกรทบแล้วเกิดความชอบกระทบแล้วเกิดความไม่ชอบกระทบแล้วเกิดความคิดนะ เราก็จะเห็นว่า อ, อารมณ์หรือความคิดเนี่ยมันคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแทรกเข้ามานะสติจะคุ้มครองใจใจก็จะกลับมาเป็นปกติแต่ถ้าเราไม่มีสติคุ้มคลองใจนะใจเราก็จะไหลไปตามตามอารมณ์ตามความคิดต่างต่านั้นถ้าเราสึก ด, ดีเราจะเห็นนะสิ่งที่กระทบนะมันก็เป็นแค่สิ่งที่กระบนะก ท, ทระบ แต่สิ่งที่สําคัญคือการที่เรารับสายใจให้เป็นปกติเนี่ยสำคัญที่สุดแต่การนับสายใจให้เป็นปกติไม่ใช่เป็นการทําใจให้ไม่คิดนะไม่ใช่การทําใจให้สงบตลอดเวลาแต่การนับสายใจโดยการใช้ติตคิดการเคิดแค่เรารู้ทัน รู้ทันร้างกายที่เคลื่อนไหวรู้ทันใจที่คิดนึกผมก็เตือนตอนี้นะรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกรู้กายเห็นจิตรู้คิดเห็นธรรมรู้กรรมเห็นพระนิพพานรู้อาการเห็นปรมัตรู้กายนะคือเนี่กายกับจิตกายกับใจ ปวดที่มันอยู่ด้วยกันแต่บางทีมันก็ไม่อยู่เออบางทีเราดูไกลเคลื่อนไหวนะดูไกลเคลื่อนไหวเออถ้าใจหรือจิตใจอยู่บตัวเนี้ยมันก็มันก็เป็นปตกติแต่บางครั้งมันก็ไม่อยู่แตลอดเวลานะบางครั้งเราก็จะเผลอแบบไปคิดคิดถึงที่บ้านไปคิดถึงอดีตอนาคตอะไรแต่ประเห็นก็จิตมันแว๊บออกไปจิตมันคิดะ น, น, นะ รู้กายเคลื่อนไหวเราก็จะเห็นใจมันเกิดเป็นคิดเห็นเห็นอาการของใจที่มันมันไม่เที่ยงใจเราบังคับได้ไหมเพราะมันไม่ใช่ใจเรา <c ười> ถ้าเป็นของเราก็ต้องบังคับจะได้ใช่นะอืมเพราะมันไม่ใช่ของเราเราก็เลยบังคับไม่ได้นะอืมมันก็เลยไม่เที่ยง <c ười> วันวันหนึ่งก็ มีทั้งชอบมีทั้งไม่ชอบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์จะคิดอะไรก็ก็มีรูดลวงหน้าคิดไปแล้วก็ห้ามก็ไม่ได้นะมันไม่เทีย่ยมมันบังคับไม่ได้นะนัะ่นเราก็จะเห็นเพราะทั้งกายทั้งใจนะมันไม่เทีย่ยมมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนของเราดูกันรื่อยเรื่อยนะเห็นอะไรเห็นเห็นความจริงของไตรละก็เปิดปัญญา เมื่เกิดปัญญานั่นแหละมรรคนนผลนิพพานก็อยู่ตรงที่มีสติมีปัญญานี่แหละเราเห็นว่ากายกับใจความจริงมันคือเป็นเช่นนี้มันเป็นเช่นนี้มันไม่ใช่เป็นอย่างที่เราคิดหรือเราอยากให้เจอเท่านั้นแต่ความจริงคือมันเป็นเช่นนี้แหละองเขาพื่อจะท่าเรามันเป็นเช่นนั้นเอมันต้องเป็นอย่างนั้นของมันนั่นแหละหมัอื เขาก็เป็นแบบของเขากันนั้นแหละใช่ไหมเราทุกข์เอะไรเราอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเนี่ยที่จริงเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมถ้าเรามองดีนะร่างกายเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละนะนั่งนานๆก็ปวดเมื่อยกินมากๆก็อิ่มมันก็โจุกไปอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละะอยู่กับโลกมนานๆเดี๋ยวก็แก่สะสม เหตุปัจจัยทำให้เกิดโรคภัยได้เกิดเขาก็ต้องไม่สบายนะนะสักพักหนึ่งก็ต้องตายมันก็เป็นอย่างนั้น น, นะการมีปัญญาคือกันเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของมันอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นหนังใจเราที่ปราถนาสถานจะทำให้เราอยู่กับรโรคอย่างไม่ทุกขนะ์เพราะว่าเราจะมองว่า ควาวุ่นวายก็ดีปัญหาก็ดีสิ่งต่างที่เกิดขึ้นนะมันก็เป็นของเขาอย่างนั้นแหละเราก็ไม่ไปพูดแต่ถามว่าต้องแก้ปัญหาไหมแก้แก้ด้วยการมีสติแล้วก็แก้ปัญหาไปแต่ปัญหานะมันก็แก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างก็มีสติรู้ทันแล้วก็ยอมรับอันนี้ธรรมะ บางคนชอบพูดว่าปล่อยวางแต่มาอดิมาอยากจะพูดว่าก่อนจะปล่อยวางนะต้องยอมรับก่อนถ้าเราไม่ยอมรับนะปล่อยวางไม่ได้หรอกอสิ่งแรกที่ต้องทําคือมีสติรู้ทันมันแล้วก็ยอมรับยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนถ้าเราไม่ยอมรับเราจะไม่ปล่อยวางนะอ่ะเช่นอ่า เมด่อเราไปหาหมอหมอว่าเราเป็นโรคมัเดิงส่วนใหญ่ที่เป็นพุกตัวแรกที่ยอมรับว่าเราเป็นมันดิงจะให้ปล่อยวางตอนทุกข์มันไม่ปล่อยวางหนะเพราฉันไม่อยากเป็นนะไม่เชื่ออะไรเองจะเป็นแล้วก็อยากจะหายก็ต้องยอมรับก่อนก็าเราเป็นนัเดิงถ้ายอมรับได้นะทุกมาว่าความทุกข์ร่างกายมันก็ต้องแก้ไขอะไต้องรักษาไปแต่ทุกทังใจมันจะ น้อยหรือไม่มีเลยเนี่ยเนี่ยมันปล่อยวางที่ตรงนี้นะพอยอมรับว่าคือเราเป็นมะเด็งแล้วก็อยอมรับความจริงว่าเราเป็นมะเด็งเราก็แค่คิดว่าต้องรักษาแบบไหนดีรักาาอย่างไรแต่นั้นก็แค่จบาา ก, ก็แค่เป็นปัญหาร่างกายก็แก้ปัญหาที่ร่างกายไปแต่ความทุกข์ทางใจไม่ต้องให้ใครมคคคาช่แก้เพราะเราแก้ได้ด้วยตัวเราเองใช่ทุกอย่างนะที่โยม ปัญหาในครอบครัวปัญหาในที่ทํางานปัญหาในโลกนี้นะเราก็ต้องยอมรับก่อนว่ามันเกิดขึ้นจริงนะรวมทั้งปัญหานในการปฏิบัติเลยนะเราอย่าคิดว่าปฏิบัติแล้วจะเจอแในสิ่งที่ดีนะปฏิบัติแล้วบางทีก็ง่วงอยู่บางทีก็ทุ้มซ่านเย็ดมากบางทีก็เกิดอะไรที่เอ๊ะ อยู่ดีๆมาทำให้ใจเอนทุกแบบนี้ทำไมนเนี่ยบางคนปฏิบัติธรรมก็คิดแบบนี้นะแต่ที่จริงทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะมันมีเหตุมีปัจจัยของมันอยู่แล้วถ้าเรายอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เราอยู่กับเขาได้ การยอมรับอาจะทำให้เราอยู่ได้แต่อยู่เหมือนอยู่คนละส่วนกันคล้ายๆกันเดียวกค้า แ, แก้วน้ากับน้ำมันก็อยู่ด้วยกันไดนนะ้นะก็ไม่ร้อนนิดนึงไม่เป็นไรแต่คือคือมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาเวลามันง่วงนอนนะก็มองใ้ดีสมมติความง่วงนอนนะ่ะมันก็ จ, จะเหมือนน้ำนี่น แต่จริงร่างกายและจิตใจอาจจะเหมือนแก้วมันก็ไม่ใช่ว่าคือมันไม่ใช่เป็นอันเดียวกันทั้งหมดแต่เราจะมองมีสติเราจะเห็นว่าอ๋อง่วงนอนก็ส่วนหนึ่งร่างกายที่ยังเคลื่อนไหวได้ก็ส่วนหนึ่งใจที่รู้ว่ามันง่วงนอนใจที่มันรู้ว่ากำลังเคลื่อนไหวอันก็ส่วนหนึ่งพอเรามีสตินะเราจะแยกได้แต่ถ้าเราไม่มีสติ มันจะแยกไม่ได้เลยมันจะเป็นเราง่วมนอนเราไม่ชอบมันมันจะเอาเอาความง่วงนอนมาเป็นเราทั้งหมดเลยแต่ถ้าเรามีสติล้วจะเห็นเอ๊ะง่วงกง่วงง่วงก็ยังมีอยู่ก็ยอมรับรู้ง่วงมีสติเห็นด้วยเอ๊ะกายก็ยังเคลื่อนไหวได้อยู่นะก็เคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวสลับบางทีก็ง่วงบางทีก็รู้สึกตัว ใจก็เห็นว่างเป็นเช่นนั้นเราจะแยกได้เลยเวลาปวดเมื่อยเวลาไม่สบายก็เหมือนกันจะแยกได้ปวดก็ส่วนหนึ่งร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตใจก็ส่วนหนึ่งพอเราแยกแบบนี้ได้เพระมันเป็นคนก็ส่วนกันแต่ถ้าเราถาดสติเราจะไปเราจะเป็นโจมกับ ไปใช้เหมือนแก้วน้ําต้าน้ำอะไรนะมันตือมันร้อนถ้ามาขาดสตินะมันก็ไปจุ่นนนนนม น, น, น้ําอุ่นๆน้ํำร้อนๆเนี่ยมันก็ร้อนนะจิตที่ขาดสติพวเหมือนจิตที่เราไปจุ่มเรา็เลยใช้เขาว่าแะไรอินนะอินเข้าไปในในการโดนหรือว่าเข้าไปอยู่ในความปวดนะฮะเข้าไปอยู่ในความทุกข์ เขาอยู่ในความผิดหวังแต่ถ้าเรามีสตินะมันเหมือนเรารู้ตัวจุ่มพุ๊บูก ค, ความร้อนที่มันเป็นทุกข์มันจะกลับมาสติปัยญาคือเมื่อมันรู้ว่าทุกข์เนี่ยจับมันร้อนพุ๊ปล่อยอาจจะเติร์ดไปคิดอีกมันพุกมันร้อนมันโด่งไปรู้ตัวพุ๊ปล่อยนะปล่อยนะ รู้ตัวก่อนนะรู้ว่า น, นี้เกิดขึ้นปุ๊บสติจะทำให้เราปล่อยออกมานั้นการปล่อยวางเนี่ยมันคือผลแต่เหตุที่ต้องทำคือมีสติแล้วก็ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนะมีสติรู้ทันก่อนแล้วมันจะยอมรับได้เมื่อยอมรับได้มันจะปล่อยวา ง, งมันแต่บางทีชาวพุทธเราแบบ ชอบพูดแต่ปล่อยวางปล่างแต่ไม่ยอมรับนะมันก็ได้ไมันไม่ปล่อยจริงๆนะต้องต้องตื่นตรงนี้ไว้นะแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากในาการภาวนาคือการมีสติมีสติจะทำด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ให้มีสติแต่สิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนะก็เหมือนที่หมอที่บอกว่า คือเราจเจริญสติเพื่อเรามุ่งเน้นไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราไดนะ้คือเรามาเรียนวันนี้เรามาฝึกเพิ่มในวันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นภัฒอาหารวันนี้นะก็มไม่รู้บนาะงคนอาจจะเป็นก็ได้นะแต่คือเราเรียนรู้หลักเพื่อเราจะเอาไปใช้ต่อให้ใหได้มากที่สุดนะอเอาไปฝึกต่อ ก็โดยวิธีการแบบที่ของอที่คืนอนักสอนคือเราอาศัยการมีสติในการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวมันก็ทำได้ตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งนอนหลับเลยบางคนพอมีสติมากๆนย้ยโยนนะไม่เป็นนอนขยับตัวคิีตัวนะมันก็รู้สึกนะมันก็รู้สึกได้แต่ก็ไม่ใช่ตลอดเวลาหนละับเป็นเป็นแค่บางช่วงบางช่วงนะ บางคนภาวนาไปนานๆจะรู้สึกทำไมนอนก็มันก็ยังรู้สึกตัวเหมือนไม่หับเลยนะมีสติตลอดเลยทั้งวันทั้งคืนแต่ตื่นขึ้นมาก็ไม่เพียร์นะไม่เพียร์ไม่เพียร์ไม่หลับแต่ไม่เพียร์นะแต่ก็ถ้านานมากเกินไปก็คงเพียรน์นนแหละมันมันเป็นช่วงหนึ่งนะช่วงที่มัน มันได้อารมณ์ปฏิบัติะมันได้กำลังสติสมาธิมากมันก็จะจิตมันจะตื่นจิตจะตื่นนะไม่หลับไม่นอนไม่กลัวเจอในที่มืดมืในป่าก็ไม่กลัวะจิตมันตื่นไยับนิ้วหน่อยหน่อมันเห็นหมดมันรู้หมดเลยนันะเป็นช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งก็เนะี่ยอาศัยการเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกทําแบบไหนก็ได้นะ ขยับพิจมือรู้สึกคอรู้สึกเคลื่อนรู้หยุดรู้เรื่ยทีกตะทบรู้เราแตะมันก็เลื่อนรู้ไหมเราทาคนใหม่เราทาเลอนได้เราเมือตบเข่าจะเอเด่นเรายกมือขึ้นตูนะ เราหนึ่งจากพวกลมก็รู้ใช่ไหมรู้ป่ะใจไม่รู้บ้างรู้เนาะใจอยู่ตรงนั้นไหมใจอยู่ที่การกระทำไหมอยู่ไหมไม่อยู่เหรอไม่อยู่จะรู้ได้ไงไม่อยู่แล้วเรารู้ว่าใจไม่อยู่ก็ถือว่ารู้นะ เขาจะไม่โดนคือมันก็แบบเนี้ยมันรู้มันมีสองอนะันน่ะเช่นอย่างเราเรารู้เนะี่ยเรารู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรนี่ิติจารรู้ใช่ไหมอีกอย่างเราก็รู้ว่าเอ้ยใจมันมันไปคิดเรื่องอื่นมันออกไปลกนอกแล้วเรารู้ว่ามันไม่อยู่ในตัวนี่ก็คือรู้สึกตัวนะนั่นรู้สึกตัวมีสองนะ่ะทักษิณนัน่นคือรู้ตายเรารู้กายว่า กำลังทําอะไรรู้กายนะี่ยุทธต้องมองได้ว่ารู้ที่ปัจจุบันนี้นะไม่ใช่นะไม่ใช่รู้ก่อนคือไม่ใช่รู้หลังคืออย่างบางทีนะบางคนถ้าตั้งใจมากมันจะไปเจาะเช่นเราเดินทีก่อนที่เท้าจะกระทบนะ่ะจิตมันไปคอยคอยรอรอรูตอนกระทบ แต่ น, นะคือเป็นกาจรจ้องหรือบางทีมันกระทบไปแล้วเป็นคิดคิดว่าเรากระทบอะไรนะก็คือการไปรู้ที่หลังนะรู้กายจริงๆมันรู้ตรงที่ปัจจบุบันเช่นหายใจเข้าพ<อ>ี่รู้ไห ม, อมตอนนี้หายใจเข้าเปล่า ม, <laughs> มันออกไปแล้วเนาะเห็นไหมน่ะหายใจเข้านะ รู้ทันทีนะหายจะออกก็รู้ทันทีใช่ไหมกระทบปุ๊บเนะี่ยรู้ทันทีคือไม่ต้องไม่ต้องไปรอนะยเช่นมันยังไม่กระทบปุ๊บอย่าไปรอที่จะรู้หรือกระทาไปแล้วไปคิดว่ามันไปคิดเรื่องที่มันเพิ่งกระทบมันก็เป็นรู้ที่ลังอีกทีนงะนะฉะนั้นรู้ตรงที่ปัจจุบัน บางทีแต่ถ้าบางท่าเอ๊เราดิมตัวเช่นเราเดินเดินมันก็เปิดไปคิดมันดิมตัวหรือยกมือต้านจังแบบตอนยกแบบนี้มันดิมตัวไม่เป็นไรนะเช่นดิมตัวไปถึงท่านี้นะปักมารู้ตัวท่าใหม่เลยดึงตัวท่าใหม่ไม่ต้องไป ไปโทษแต่เองว่ามันไม่ดีที่ดืมตัวนะก็ดึงตัวท่านี้นะก็ย่ต่อรู้สึกตัวเลยรู้สึกตัวมันง่ายเพราะอะไรไม่ต้องไปแก้เต็มที่ผิดเราก็ไม่ต้องไปอยากที่มันรู้ตลอดเราทําแค่พิพินธนาจิต ท, ที่ทําแค่ปัจจุบันรู้สึกตัวที่ปัจจุบัน หรือมันด so, ึงไปเถิดไปคิดเราก็รู้ว่านเถิดไปคิดสักแค่นั้นจบละเถิดไปคิดปุ๊บก็ไม่ต้องไปเอาเหตุผลว่าทำไมมันถึงคิดกลับมาตรงนี้ใหม่กลับมาใหม่นะทำาบบนี้ยนี่คือการรู้กายเคลนไหวนะอคนปฏิบัติใหม่ๆนะอาจจะเริ่มต้นเน้นการรู้สึกที่ตายให้ให้เป็นตัวหลัก เรารู้สึกที่กายเคลื่อนไหวรู้สึกที่กายกระทบสัมผัสเป็นเป็นเรื่องต้นนะเป็นตัวดักรู้ทีละขณะอย่างต่ว่าเทียนเวลาปฏิบัติเป็นจังหวะพิ่รู้ยกรูวางรู้สิบสี่จังหวัดนะสิบสี่รู้ทีละขณะ แต่ถ้าค น, นเก่าอาจจะพลิกก็รู้หยุดก็รู้ยกก็รู้หยุดก็รู้อรอบหนึงอาจจะรู้ทั้ง28จังหวัดแต่ก็ไม่เป็นไรนะรู้ไม่ถึง14จังหวัดไม่ถึง28จังหวัดไม่เป็นไรดูให้มากที่สุดเท่าที่รู้ได้นะไม่เป็นไรทําให้มากที่สุดเราจะสะสมควา ม, มนะารู้สึกก่อนนะไปดูอะไร ชั่วโมงหนึงอาจจะได้หลายพันรู้ถ้ารู้ทุกวินาทีก็สามพันหกร้อยครั้งนะอืะรู้ทุกนาทีก็สามพันหกร้อยครั้งได้ขึ้นเงินก็พันกว่าครั้งก็ดีนีนะทํะะทำแบบนี้เป็นวัอาศัยการเคลื่อนไหวนะในการสร้างสติแล้วก็เกิดความคิดแล้วก็แค่รู้ว่ามันคิดแล้วก็กลับมา กลับมาหาร่างกายไหมที่จริงมันไม่ใช่การไม่ใช่ว่าตั้งใจจะกลับมาหลับโยนมันเหมือนจิตมันจะกลับมาของมันเองมันจะกลับมาหาร่างกายของเขาเองนะไม่ใช่ว่าตั้งใจให้มันกลับแต่มันจะกลับของเขาเองนะแล้ว ก, ก็พูดให้ฟังเป็นเรื่องต้นไปก่อนแต่จริงเวลาปฏิบัติมันต้องเหมือน มันต้องอาศัยการสังเกตสังเกตเกตัวเราเองนี่แหละว่าคือมันจะมีพอทํำไปแล้วมันจะมีบางทีมันตั้งใจมากไปตั้งใจมากไปมันก็จะไปคอยสนใจไปอยู่กับกับมือหรือกับเท้ามากเกินไปหรือไปคอยที่จะจ้องที่จะดูมันอรอที่จะดูมันอันนี้คือตั้งใจมากไป ก็ให้เรารู้ตัวนะแล้วก็มันก็จะค่อยๆค่อดหรือบางครั้งจิตที่มันเคยฟุ้งซ่านไปบ่อยคิดนั่นคิดนี่หรือเรามีเรื่องที่วิตกกังวลนะมันก็อาจจะไปถึงเรื่องนั้นบ่อยกลับมาแป๊บหนึ่งนะก็ไปอีกลับมาแป๊บหนึ่งก็ไปอีกแต่ก็ทํานั่นแหละโยมไม่ใช่ว่าจะให้มันไม่คิดนะแต่ประมาณว่า คิดแักหนึ่งกลับมาคิดแักหนึ่งกลับมาเหมือนชักกระยอเหมือนชักกระยอนะเหมือน น, น <S <S 1> <S 1> แต่ทำแบบนี้บ่อยๆนะมันมีกำ ล, ลังมันแข็งแรงขึ้นมันจะกลับมาได้ได้บ่อยขึ้นกลับมาได้เร็วขึ้นความทุกข์มากๆความโกรธมากๆความหลงมากๆมันก็เกิดเพราะว่าเราเราไปแล้วก็ไม่กลับ เราปล่อยให้มันมีเชื้อมีอาหารไปนานๆนะมันก็เลยมากจนจนดับไม่ได้แต่เรามีสติคือการที่เรากลับมาไปบอยนะรู้กลับมารู้กลับมารู้กลับมากลับไปสติมันจะเป็นอัตโนมัติมันจะกลับมาของเขาเองนะมันจะกลับมาของเขาเอง จะทำไรนะต่อไปไม่ต้องตั้งใจมากมันก็จะรู้สึกของเขาเองเดินก็เดินธรรมดาต่อไปนะไม่ต้องตั้งท่าไม่ต้องสํารวมอะไรมากนะมันก็จะเดินก็รู้สึกตัวสายตามันก็จะสํารวมของเขาเองหนึ่งนะก็มันจะเกิดสติเป็นอัตโนมัติของมันเองสติเป็นอัตโนมัติของมันเองต่อไปมันคิด ก็จะรู้ทันมันเกิดอะไรขึ้นในใจมันไปจะรู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วสิ่งพวกนั้นมันจะหมกมุ่นนำใจไม่ได้มันจะเห็นว่าเนื้อกายที่เคลื่อนไหวก็ส่วนหนึ่งสิ่งที่มันมากระทบหรือสิ่งที่มันคิดขึ้นข้างในมันก็เป็นส่วนหนึ่งมันจะแยกได้มันจะแยกรูปแยกนามได้แยก เห็นว่าอาการของรูปแบบไหนอาการของนาำเป็นแบบไหนใจนะจะค่อยๆแยกนะบาทีพระตาะก็เรียว่าแยกธาตุแยกขันนะแยกขันรูกประขันจากลูกประขันแล้วก็นามาขันนะคือแยกรูปแยกน้ำนะต่อไปก็แยกขันทั้งห้าได้อาการของรูปเป็นแบบนี้อาการของนาำก็มีเวทนาสัญญาสัมพันวิญญาณ เราจะแยกได้เขาที่จริงนะตัวเราจริงๆมันไม่มีมันมีแต่อาการของรูปอาการของนามที่เขาสแสดงเนะี่ยเราก็ดูมันแบบนี้นปัญญามปองตรงนี้นะนะต่อไปเราจะหาหาเราที่ทุกข์ไม่เจอนะแต่มันมีกายที่ทุกขอยู่นะกายที่ทุกข์มันก็ยังมีหรือการทํางานของนามขันมันก็มี แต่สิ่งที่มันไม่มีคือความรู้สึกสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเป็นเราเป็นของของเราเมื่อหาก็เป็นเราหา้อเป็นขอ ง, ขอ ง, อออ ข, องของเราไม่เจอมันก็ไม่มีผู้ฟุไม่มีผู้สุดไม่มีผู้เป็นพระอาหารหันต์ไม่มีผู้ที่แก่เจ็บตายนะมันเป็นเพียงแค่อาการอาการแก่เจ็บตายอาการ นะที่จิตมันมันดีขึ้นตามตามสภาวะที่เราได้ฝึกหัดขันเก่าของเราเองเนาะตอนนี้พอพูดให้ฟังเดี๋ยวคนที่ยังไม่เคยฝึกปฏิบัติก็ก็ลองปฏิบัตนะินะเปิดใจนิดนึงเพราะว่ารูปแบบเทคนิควิธีการอาจจะอาจจะดูดูแตกต่างจากที่อื่นเนาะ อาจจะแตกต่างในที่เห็นบ้างแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบสงบนี่สบายนะแต่สิ่งที่เราฝึกคือความรู้สึกตัวไม่เอาความสบายไม่เอาความสงบแต่ฝึกให้รู้เนื้อรูร้รตัวนะฝึกให้รู้เนื้อรูร้ตัวนะแล้าเราจะเห็นกายก็ทํางานเห็นจิตใจเห็นกิเลสก็ทํางาน เห็นว่าตายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งสติที่ทําให้ใจเป็นปกติมันก็ส่วนหนึ่งมันจะออกมาแยกออกมาอันนั้นต่อไปเราจะเห็นมันก็เป็นแค่ของมันนะโลกจะวุ่นวายแต่คราวนี้ใจจะไม่วุ่นวายร่างกายเป็นทุกข์แต่ใจไม่เป็นทุกข์นะมันทําได้นะต่าากไว้